ที่ว่าเราจะทำให้ใจที่มันออกนอกตัวนั่นนะกลับมาอยู่กับเนื้อกระตูเพราะมันถูกดึงถูกตรึงให้ไปติดในรูปเสียงกิรสมัตธรรมลมโดยผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายใจอจตนะภายในภายนอกมันถูกดึงนออกไปอย่างนั้นแล้วเวลาและอารมณ์ก็ไปถูกใช้ กรับสิ่งเหล่านั้นเราจึงไม่ได้เห็นธรรมกายไม่รู้จักธรรมกายแล้วก็เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็จริงของชีวิตเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์และก็ไม่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตที่จะไปสู่นิพพานชีวิตมันก็สเปสะสปะกันไปจะเป็นพระเป็นโยมก็มีชีวิตอยู่ไปแกนแกนอย่างนั้น อยู่กันไปวันวแบบสังกัตตายอยู่กันไปมันจำต้องอยู่ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของชีวิตที่นี้มันยากตอนแรกที่ว่าจะทำไงใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันตระหิกเปิดเปิเปงกระเจิงกันไปทั้งนานแล้วแต่คำว่ายากในทีน่นี้มันไม่ใช่่ายากมากหรือยากจนทาไม่ได้ มันอยู่ในระดับยากไม่มากแต่ก็ง่ายไม่มากอยู่ระดับยากพอสู้ง่ายพอดียากพอสู้แล้วก็ง่ายพอดีแต่เรามีความเพียรมีความขยันมีสติสบายสม่ำเสมอและกำมันสังเกตว่าทำถูกหลักวิชาไหมถูกวิธีไหมถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องขึงทุกคน ยกแววนสองประเภทคือคนตายคนบ้าอย่างนั้นแหละแต่คนดีๆแล้วต้องถึงถ้ามีความเพียรขยันแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาไอ้มันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งแต่อย่างสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่ออย่าให้ขาดจังหวะขาดช่วงในการฝึกใจให้หยุดนิง่ง ซึ่งการจะดึงใจกลับมาอยู่กับตัวทิ่ฐานที่เจั น, น, นมันก็มีอยู่สองวิธีคือนึกเป็นภาพภายในหรือปล่อยใจนิ่งเฉยและแต่จริตอัธยาศัยของเราชอบอย่างไรเราก็เอาอย่างนั้นถ้าใครเนี่ยใจเนี่ยมักจะฟุ้งง่ายต่ะเลิดเปิดเปิงง่ายควรจะนึกเป็นภาพ ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดภาพที่ควรนึกก็ควรจะเป็นภาพเกี่ยวกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศอันสูงสง่งคือนึกถึงพุศลรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะในแง่การปฏิบัติก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งที่เราเคารพการาบไหว้บูชาและจำง่าย ลักษณะจะเป็นยังไรก็ชา่างถลจรจำได้ก็ใช้ได้อัตนาทนายทำมันนั่งสมาธิอยู่ในตัวหันหน้าออกไปทางเด็กตัวของเราโพธรูปนั้นจะทำด้วยวัตถุอะไรก็ได้อิดหินปูนทรายโลหะอัะตนาชาติแต่ถ้าเราสามารถนึกเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีมาก เพราะจะทำให้ใจเราใสไปด้วยบริสุทธิ์ไปด้วยการนึกถึงพระพุทธลูกจะทำให้ใจเราสูงส่งเป็นทางมาแห่งบุญและความบริสุทธิ์มันได้ไปกลางกายกลางทองการที่นึกเอาพระไว้ในกลางทอง่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพท่านบาะของสูงมาไว้ในนี้ได้อย่างไรเพราะความจริงนั้นมันเป็นเพียงข่ า, าพสมมติ รละลึกเป็นหลักให้ใจเราเกาะเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจริงๆแล้วท่านสิงสถิตยอยู่ภายในตรงกลางกายเนี่ยกายในตัวไม่ใช่อยู่กระตับตายไสพุงเพราะเรานึกไดใจตรงนั้นมันมีฐานที่ตั้งนั่นนึกออกมาอย่างนั้นหรือถ้าเรานึกเป็นองค์พระแล้วเรามักจะสับสน เนื่องจากว่าจำขท่านได้เป็นบางส่วนเดี๋ยวเห็นเสียนเดียเห็นองค์เห็นแขนเห็นขางท่านอะไรอย่างนั้นไม่เคยเต็มส่วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพร้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าสมมติว่านึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ใจเราไม่นิ่งไม่รู้จะเอายังไงดีก็อาจจะเปลี่ยมานึกเป็นดวงแก้วก็ได้เป็นดวงใสๆซึ่งมีแต่ความ ใสกับความกลมรอบตัวไม่มีหยักไม่มีงอไม่มีโคดโคง้งไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นดวงใสๆจะ ต, ตั้งดวงใสๆต้องเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยเห็นบ่อยๆแต่บางท่านไม่เคยมีนึกไม่ออกจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลมๆอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้ใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนึกเอาเราจะตอนแรกเราก็ตามใจท่านไปก่อนท่า น, นึกเป็นองค์ละท่านจะให้เห็นเสียงเราก็ดูแค่เสียงเห็นเสียงเดี๋ยวเห็นศูนย์จะเห็นศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งองค์พลึบขึ้นมาเองมีส่วนไหนให้ดูแล้วก็ดูไปก่อนตามใจท่านไปก่อน ท่านจะมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังตรงไหนแล้วก็ดูไปก่อนจะไปขาดใจท่านตามใจท่านไปขอเพียงว่ามีให้ดูเท่านั้นแหละแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างแล้วมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นไปทั้งองค์เองดวงก็เช่นเดียวกันถ้าเราถ น, นัดในการเท็จถึงดวงแก้ว บางทีมันก็ค่อยจะกลมลีลีบูดบดูบี้วบวก็ช่างมันดูไปเลยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลมเองแลวในทานองเดียวกันเนี่ยดวงนี้บางทีจะอยู่มาทางซ้ายทางขวาหน้าหลังล่า ง, างบนอะไรก็แล้ ว, แ, ลวแต่กระช่างแล้วก็เฉยๆดูไปอย่างสบายๆนีส่สำหรับผู้ที่ เวลานึกเป็นภาพแล้วรู้สึกสบายใจพึงพอใจก็ให้นึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ใครที่นึกเป็นภาพแล้วมันตึงมันปวดลูกในตามันอดจะไปเพ่งไปลุ้นไปเค้นภาพอดไม่ได้เลยที่เค้นภาพจะให้มันชัดๆเมื่ออดไม่ได้แล้วก็อย่าไปนึกเป็นภาพ วางใจนิ่งเฉยเไม่ต้องคิดอะไรเลยวางใจนิ่งเฉยเฉเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่นึกแล้วมันไม่สบายมันมึนหัวมันปวดรูในตาหรือพอนึกแล้วมันเกิดเห็นขึ้นมาง่ายๆก็เลยสงสัยว่ามัวแต่คิดว่าเอเราคิดไปเองหรือว่าของจริงอะไรอย่างนี้ ถ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งสองวิธีการจะนึกเป็นภาพกว่าดีหรือนึกเฉยๆนิ่งๆก็ดีเป็นวิธีการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้อยู่ภายในให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราถนัดแบบไหนเอาอย่างนั้น พอถูกส่วนแล้วมันจะตกสูนบุบลงมาข้างในถ้านทีเป็นภาพภาพนั้นมันก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นภาพใหม่คือดวงใสๆของดวงธรรมมานุปัสสนาสีฐานหรือดวงปฐมมรรคจะลอยขึ้นมาแทนที่แทนภาพเดิมเหมือนภาพเดิมแค่เป็นยานพาห น, นะ พาเรามาส่งศูนย์กลางกายธานที่เจ็ดหรือถ้าหาไว้นึกเป็นภาพเพราะูกส่วนมันนิ่งนักเข้านักเข้าไม่ขยือเลยมันก็จะตกศูนย์แล้วก็จะเข้าถึงดวงเหมือนกันดวงทําก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนี่ตั้งทำความเข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะและอีกประการหนึ่ง อย่าไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปไม่ต้องไปเล็งดูไม่ต้องไปคำานึงถึงว่าใจเรามาตั้งอยู่เนี่ยมันพอดีเป๊ะไหมฐานที่เจ็ดเป๊ะไหมอาจาง่ายๆวะทำความรู้สึกไว้ในกลางท้องสำหรับผู้ไม่นึกนิมิตแต่ถ้าไปนึกเป็นภาพกา น, นึกว่ะพระอยู่ในท้องดวงอยู่ในท้อง จะตรงฐานที่เจ็ดแม่กระชังมันเอาว่าอยู่ในท้องเหมือนเรากลื่นก็นไปไว้ในท้องนั่นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ทําให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจและหลังจากนั้นจะประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้เลยจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าจะภาวนาก็ต้องให้เสียงคำภาวนาดัางเอามาจากในท้องแต่อย่าไปใช้กําลังในการท่อง ให้ทำเหมือนกับเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสวดมนต์หรือบทเพลงที่เราคล้องปากขึ้นใจนั้นนะมันดังออกมาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปเรื่อย อย่างสบายๆอย่างสบายใจนะภาวนาไปใจเย็นๆค่อยๆประคับประคองไปทึงกระชังไม่ทึงกระชังนิ่งเฉยเพราะเราต้องการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวภาวนาไปจงกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยเฉย ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งเฉยเทําแค่นี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าไปทําอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปหาวิธีการนั่งตัวเองพระเดียวกับคุณหลวงปู่ท่านสรุปเอามาให้แล้วเนะี่ยไม่ต้องไปค้น เราแค่ขว้าเอามาแค่ น, นั้นเองทำหยุดทำนิ่งเฉยเฉยจะมืดกันนิ่งจะสว่างกันนิ่งจะมีภาพให้ดูแล้วกันนิ่งไม่มีภาพให้ดูแล้วกั น, นิ่งเฉยเเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จถ้าอยากหยุดเราก็ต้องหยุดความอยาก อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากสงบใจทำหยุดทำนิ่งเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วทามันไปทุกอริยาบทฝึกมันเรื่อยไปนัง่งนอนยืนเดินอย่าไปทอวันนี้ไม่ได้ปรุ่งนี้เอาใหม่เราเป็นคนดีๆยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำได้มีบุญมากเพียงพอ ที่จะเข้าถึงหรือแต่ว่าขยันหรือขี้เกียจถูกวิธิไหมเท่านั้นแหละเรื่องบุญถึงไม่ถึงเนี่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องมาคํหนึง่งทำให้มันถึงแนั้นเองแต่มันถูกหลักวิชาขยานัตนต่อเนื่องสม่ำเสม อ, ส ม, อมีสติกับสบายทำใจให้มันเบิกบานนี่มันสบาย สบายค่อยๆนึกไปใจเย็นๆเนมื่อใจอย่างนี้ดีแล้วเชาว้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเหมาะสำหรับผู้มีบุญทุกท่านที่จะเข้าถึงพระในตัวถึงดวงธรรมในตัวหรือหยุดนิ่งได้ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนกันต่อไป ให้ลูกทุกคนสมหวังนังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตุทกทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ